ของดีแต่ละอย่างคือประสบการณ์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ขอให้ไปทำลักษณะอย่างนี้แหละแต่ก็ทำหลายๆรูปแบบแต่สาระอันเดียวกันคือให้สติสัมผัสยะให้เข้มแข็งขึ้นเนี่ยทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นพวกเราที่จะเดินทางก็ให้มีการรักษาตัวนี้ให้ตลอดรอดฟังน ะ, ะจะถวายแล้วก็รีบม า, าคุณเจ้าเดี๋ยวจะได้รีบไป จับคนเดียวก็พอแล้วจับคนเดียวก็พอแล้วเออไปเอามาเอามารีบรเดี๋ยวจะรีบไปมาคนเดียวก็พอแล้วมาคนเดียวมาคนเดียวก็พอแล้วตัวแทนมาคนเดียวก็พออไม่ต้องจับแล้วคนเดียวก็พอมาคนเดียวก็พอเออมารีบรีบมาน้องน้องลาเนี่ยลาเป็นประธานโม่เออมามาคนเดียวเออเป็ประธานโม่เออมา อ๋อถวายพระคุณเจ้าพรอาจารย์วายพระอาจารย์รวังนะสาทุอางวัอางลวซีดีจร่บ้านกัฟังได้ขับรถไปกฟังได้ัมนทนาเร่องสตอไ้รจะมสตอสก็ขออนุโมทนาในการ ถวายปัจจัยเพื่อการเดินทางแล้วก็ยังไดอย่าลืมนั่นเอาไปปฏิบัติแล้วก็มีรถไปแล้วเว้ย่ะมีรถไปส่งแล้เบ่หรอือว่าจะเดินจมกลุมไปเอ า, าราพร้อนหน่อยหนึ่ง วัสดุสัพพังคารังราคันดุสัพเทวะตาสัพพพุทธานุภาเวนาสัพพธรรมานุภาเวนาสัพพสังคานุภาเวนาสัทธาโสธริภวันตุติอากา กราบเดียนะคืออยู่มันควรยืนปีหน้าไปจะอยู่มีนิสุดาบนละเี้ย ที่เออนี่ยวาสนาพารามิด้สังมไปทแ่าุิกอาเจ้าก็จะได้สวยกันเนาะแล้วพูดอะไปสูงเออไปเล็กรอแล้วเล็กรอแล้วไป แล้วพวกเราก็จะได้ <c oughs> ทำหน้าที่ต่อไปนะในช่วงที่จากนี้ไปเราจะเดินชุกลุมสักพักหนึ่งลังจะเดินชุกลุมแล้วก็มานั่งแช่กันที่นียน่งมาเป็นชั่วโมงหนึ่งนะเวลาต๊ะเลาตกเครื่องเวลาต๊ะเครื่องอย่าว่าโทรหลวงพ่อวันใดได้ มาโเครื่องถหลวงพ่อหลวงพ่อมดวลาให้อาาูทมาอ่ทาไปง้าั่นด้อย่าหยานงเลดเ้ยดีนั่นละภาษาเอกต่อมาโอ้ยลวดิแล้ว เอาพวกเราลุกขึ้นลุกขึ้นยืนเอาก็เดินทางต่อพวกเราไปคนที่จะไปก็ไปเราจะได้จงกลมแบบเดียวกัน